พระบัญญัติ970ก็ภิกษุณีใดเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาต้องอบำบัดจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ